ปฏิปติอุจชาวิสัชนาะอธิบายธรรมรูปแบบถามตอบเพื่อเข้าใจอริยศาสตร์อันเป็นหัวใจสําคัญในหลักธรรมของพระพุทธศาสนารู้เข้าใจเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกเป็นหนังสือดีที่สรุปแก่นธรรมไว้อย่างกระชับประณีตควรค่าแก่การใส่ใจศึกษาเป็นอย่างยิ่งเสียงอ่านทุกเรื่องอาจมีการอ่านออกเสียงผิดหรือเว้นวรรคผิดได้ทั้งจากความเข้าใจผิดหรือพังเผลอเอง หรือเพราะต้นฉบับพิมพ์มาผิดนะครับจึงไม่ควรยึดถือเพื่อไปอ้างอิงใดๆทั้งสิ้นขอให้เสียงอ่านทุกเรื่องที่จัดทําไว้นั้นเป็นเพียงภาพรวมเพื่อฟังในเบื้องต้นหรือไว้ฟังทบทวนเท่านั้นนะครับอ่านโดยอริยะคุณชุมรมผลดีจัดทำโดยเจ้าภาพหลักครอบครัรวสินทวัตครอบครัรรวบัรจงวัฒนาร่วมจัดทําโดยครอบครัรวสีโพคาครอบครัอรวอิมวงศรีธนพัฒน์าวรประภาวรินบุบลิส ร่วมกับอีกหลายท่านฟังเพิ่มเติมก่อนเข้าเนื้อหาและท้ายเรื่องนะครับสําหรับหนังสือเล่มนี้ต้นฉบับลงไว้ว่าเป็นการถามตอบปัญหาโดยพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตแต่กลับปรากฏด้วยหลักฐานชัดเจนในภายหลังที่เชื่อถือได้ว่าเขียนโดยคุณหญิงดํารงธรรมสารใหญ่วิเศษสิริทิดาคนเดียวของพระยาเกษตรรักษาช่วงท่านเครงครัดในการปฏิบัติและศึกษาธรรมะจริงจังตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นผู้สร้างวัดธรรมิีการาม ภายหลังได้สละทางโลกที่มีพร้อมด้วยลาบยศสรนเสริญมาบวชชีจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหนังสือของแม่ชีคนหญิงใหญ่มีหลายชุดที่นําไปพิมพ์เผยแพ ร, พร่ทั้งแจกและจําหน่ายโดยอ้างชื่อหลวงปู่มั่นและครูบาอาจารย์ท่านอื่นโดยที่หนังสือเหล่านั้นได้รับการยอมรับจากพระกรรมฐานและผู้ปฏิบัติที่มีชื่อเสียงทั้งในแง่ปฏิบัติและปริยัติจานวนมากว่าแสดงธรรมได้ประณีตกระชับเรียบง่ายถูกต้องและต้องปฏิบัติถึงจริงจึงเขียนออกมาได้ขนาดนี้นะครับ หนังสือที่คุณหญิงใหญ่จัดพิมพ์แจกในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตตั้งแต่พุทธศักราช2475นั้นท่านจะไม่ลงชื่อผู้เขียนคงด้วยความถ่อมตัวไม่อยากแสดงตัวและท่านพิมพ์แจกคนที่มาปฏิบัติธรรมเป็นหลักก็คงไม่เห็นความจําเป็นในการใส่ชื่อคนเขียนเข้าไปหลายปีต่อมาผู้ได้เจอหนังสือภายหลังอ่านแล้วเห็นว่าดีจึงนําไปจัดพิมพ์มีทั้งเพื่อแจกและเพื่อจําหน่ายแต่ไม่ทราบว่าใครเขียนจึงใช้วิธีคาดเดา เช่นบางฉบับใส่เว้ว่ารวมุทชาวิสัชนาอันทรงคุณค่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยมีการนำภาพหลวงปู่มั่นไปใส่ประกอบซึ่งอาจเป็นสานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์หวังดีใส่เพิ่มให้นะครับเพื่อให้ดูน่าสนใจเตะตาผู้คนได้ง่ายขึ้นจึงเกิดความเข้าใจผิดสืบต่อกันมาไปโดยปริยายข้อดีของการเข้าใจผิดก็คือธรรมะจุดนี้ได้เผยแพร่เรื่อยมาอย่างกว้างขวาง เพราะหากระบุว่าเป็นของแม่ชีแต่แรกอาจไม่ได้รับความนิยมจนสูญหายไปพอบอกเป็นของหลวงปู่มั่นคนส่วนใหญ่จึงพร้อมยอมรับสนใจตั้งใจศึกษาและนิยมพิมพ์เผยพร่แจกฟรีส่วนที่พิมพ์จาหน่ายก็มีคนพร้อมจะซื้อไปอ่านได้ง่ายกว่ามากหลักฐานที่ระบุว่าเป็นงานเขียนของท่านมีมากมายที่ชัดเจนที่สุดคือหนังสืองานศพของแม่ชีเองนะครับ ที่ลูกชายท่านเป็นคนพิมพ์แจกในพุทธศักราช 2,487 ซึ่งมีมาก่อนหลายสิบปีก่อนจะมีการพิมพ์ในชื่อคนอื่นนะครับจากประวัติแม่ชีเป็นที่ยอมรับในแวดวงนักปฏิบัติธรรมว่าท่านแตกฉานทั้งทา ง, งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติจนถึงขั้นระลึกชาติรู้กรรมผู้อื่นได้รู้กระทั่งวันมรณะของตัวเองโดยวันนั้นท่านได้ให้คนไปนิมนต์พระมาสวดให้ท่านฟังแล้วสนทนาธรรมสักพัก แม่ชีคุณหญิงใหญ่กราบพระพร้อมกล่าวลา ว, ว่าขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่รั้นกราบเสร็จก็ฟุบลงสิ้นใจตรงนั้นทันทีสำหรับต้นฉบับที่นำมาอาจเสียงนี้พอบันทึกเสียงเสร็จก็พึ่งมาพบเอกสารงานวิจัยโดยดรอกร์มาตินซีเกอร์ละคณะว่าเป็นของแม่ชีคุณหญิงใหญ่คิดอยู่นานนะครับว่าจะทำอย่างไรต่อดีก็มาสรุปว่าจะคงชื่อนังสือในหัวข้อนี้ไว้ตามเดิม ต่อด้วยคําว่าหลวงปู่มั่นตอบปัญหาแล้วใส่เครื่องหมายคําถามไว้เนื่องจากเนื้อหานี้มีการพิมพ์เผยแพร่ซ้ําหลายครั้งว่าเป็นของหลวงปู่มั่นการขึ้นชื่อเรื่องแบบนี้จะทําให้คนมาฟังได้ง่ายและมากขึ้นอันจะทําให้ได้รู้ความจริงว่าหนังสือนี้ใครเป็นผู้เขียนเพื่อทําความจริงให้ถูกต้องอันเป็นสิ่งที่ควรทําเพื่อประโยชน์ทั้งต่อหลวงปู่มั่นและแม่ชีคุณหญิงใหญ่ไปพร้อมกันด้วยรอะเนื้อหาบางส่วนพระผู้รู้ท่านก็กล่าวชัดว่า ไม่เหมือนสำนวนของหลวงปู่มั่นหนังสือบางชุดเป็นสำนวนของขาวราวา่าถามตอบปัญหากันมากกว่าจะเป็นพระการเผยแพร่โดยนำชื่อพระองค์สำคัญไปใส่ในหนังสือคนอื่นแม้จะเจตนาดีแต่ก็ไม่ต่างกับการทำร้ายเกียรติประวัติท่านให้มัวมองในทางอ้อมเช่นกันนะครับหลังจากบันทึกเสียงอ่านชุดนี้แล้วจึงได้พบงานเขียนของแม่ชีคุหญิงใญ่อีกสี่ชุดที่มีเนื้อหา ด, ดีมาก ซึ่งทางชุมรมผลดีจะทำเป็นเสียงอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปโดยจะไม่มีการอธิบายนำแบบนี้อีกต่จะเผยแพร่ในชื่อแมชีคุณหญิงดำรงธรรมสารใหญ่วิเศษสิริโดยตรงต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้จะทำไฟยแยกส่วนกรอนนำไว้ต่างหากผู้ที่ต้องการฟังทบทวนเฉพาะเนื้อหาหลักแยกฟังจากเอ็ได้โดยตรงหรือกดเลื่อนฟังได้ทั้งในพอดแคสต์และใน YouTube นะครับ ซึ่งใน YouTube ต่อไปนี้ไฟล์รวมจะทำตอนแยกไว้ให้ในไฟล์เดียวกันสามารถกดฟังได้ในส่วนรายละเอียดโดยกดที่เลขนาทีที่ลงไว้ก็จะเลื่อนไปฟังแต่ละตอนย่อยหรือส่วนเนื้อหาหลักได้ทันทีนะครับคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับผู้เริ่มศึกษาท่านที่มีความรู้พอตัวแล้วกดข้ามไปฟังเนื้อหาหลักได้เลยนะครับสาหรับเนื้อหาชุดนี้ ผู้เริ่มศึกษาอาจจะรู้สึกฟังยากไปหน่อยด้วยเนื้อหาที่เป็นแก่นธรรมที่จําเป็นอย่างยิ่งที่อยากให้อดทนศึกษาโดยการฟังผ่านๆอย่าตั้งใจฟังเกินไปอย่าพยายามเข้าใจให้ได้ทันทีบางครั้งต้องรอรภูมิจิตภูมิธรรมไ ม, ม่พร้อมก่อนจึงจะเข้าใจได้การฟั ง, งธรมรมะในหลายครั้งให้ตรสอบดูได้ว่าเวลาผ่านไปกลับมาฟังอีกทีจะพบว่าที่เคยไม่เข้าใจก็เข้าใจขึ้นมาเอง ที่คิดว่าเข้าใจแล้วก็กลับเพิ่งรู้ว่ายังไม่เข้าใจดีพอจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับปัญหาหลักในการฟังแก่นธรรมจะเป็นเรื่องศัพทธรรมะที่ถ้าไม่ได้ศึกษามาก่อนจะเข้าใจได้ยากก็ขอให้ฟังเหมือนดูหนังที่ไม่ภาคไทยบางทีเราฟังไปเรื่อยเรืมันเข้าใจไปเองแต่ถ้าเราพยายามเข้าใจโดยที่ไม่รู้และพยายามคิดมันจะยิ่งไม่เข้าใจ เพราะเมื่อจิตเครียดเป็นอกุศลจะมีผลในการรับข้อมูลและขวางกั้นทั้งสมองและจิตให้ทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับให้ลองฟังแบบสบายๆตรงไหนไม่เข้าใจก็ช่างมันปล่อยไปก่อนมีเวลาค่อยกลับมาฟังใหม่หรือถ้าสงสัยมากให้จดเก็บไว้แล้วค่อยไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลให้ค้นหาได้โดยง่ายสะดวกมากๆอยู่ที่มีความพยายามเพื่อความเจริญของตนแค่ไหนเท่านั้น ส่วนใหญ่ในชีวิตมักได้เจอคนที่บอกว่าตัวเองโชคร้ายดวงซวยหรือทุกข์สาหัสจำนวนมากที่สุดก็เพียงแค่คนที่วันบันเอาแต่รอคอยให้โชคดีปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่คิดจะทำอะไรไม่เคยคิดจะยอมสละเวลาเพื่อสร้างกุศลพัฒนาตนเลยเห็นอะไรก็ยากก็ไม่อยากทำไปหมดและมักอ้างว่าไม่มีเวลาแต่ถ้าลองนับเวลาทาเรื่องไร้สาระในแต่ละวันแม้แต่เวลาที่ปล่อยลมหายใจทิ้งเปล่าไประหว่างวัน จะพบว่าหมดเวลาไปต่อ ว, วันมากมายกว่าที่เข้าใจทีเดียวนะครับคนเราถ้าใจรักฝักใฝ่ฝจริงเป็นภายในสังสารวัฏจริงจะมีเวลาขึ้นมาเองไม่มากก็น้อยไม่ต่างกับเวลาเราหิวข้าวหรือปวดท้องเข้าห้องน้ำเพราะจำเป็นจริงเราจึงสละทุกอย่างเพื่อมีเวลาให้ได้โดยไม่อ้างว่าไม่มีเวลาแต่สิ่งที่จะพาเราพ้นอบัยภูมิได้จริงก็น่าแปลกนะครับที่พากันอ้างได้เสมอว่าไม่มีเวลา สุดท้ายก็ทุกสาหัสกันต่อไปชาตินี้ไม่พอสําคัญคือมันติดเป็นนิสัยต่อไปถึงชาติหน้าอีกยาวนานซะอีกด้วยนะสิอีกวิธีเพื่อกันฟังที่ดีคือฟังเสียงอ่านนี้เพื่อเป็นการทําความเข้าใจคร่าวๆ ร, รอบแรกก่อนแล้วค่อยไปหาหนังสือมาอา่านซึ่งผมจะลงลิงก์หนังสือไว้ให้โหลดไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเอาไว้อ่านทบทวนหรือไว้พิจารณาโดยละเอียดใช้การฟังเป็นส่วนเสริมก็ได้ คือฟังเพื่อจับภาพรวมก่อนแล้วไปอ่านอีกทีหรืออ่านแล้วมาฟังเพื่อทบทวนหรือใช้การฟังเพื่อให้จิตอยู่กับกุศลอยู่ในธรรมะก็จะเกิดประโยชน์มากจุดหลักของหนังสือเล่มนี้คือเน้นอธิบายแก่นธรรมสำคัญโดยเน้นไปที่อริยสัจ ท, ทั้งสตั้งแต่ข้อแรกคือทุกข์ให้กาหนดรู้อะไรบ้างเป็นทุกข์มีกี่อย่างมีลักษณะเกิดดับอย่างไร เมื่อแยกเป็นแล้วการเจริญสติในชีวิตประจําวันการเจริญมรรคการภาวนาเจริญปัญญาอันเป็นทางพ้นทุกข์ก็จะง่ายขึ้นสําหรับคนที่เพิ่งศึกษามักเข้าใจคําว่าทุกข์ว่าหมายถึงทุกขเวทนาความทุกข์กายทุกใจแต่ทุกข์ที่ให้กําหนดรู้เพื่อการเจริญสติในขั้นเจริญปัญญานั้นสําคัญหมายไปถึงความจริงของธรรมชาติที่เป็นทุกข์ทุกข์ที่หมายถึงการคงสภาพเดิมไม่ได้ มีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดาซึ่งก็คือสภาพเป็นอนิจจังไปพร้อมกันคือไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วต้องเสื่อมลงและเมื่อมันต้องเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไปเองตามธรรมชาติมันก็คืออนัตต า, บ, าบังคับบัญชาไม่ให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ให้เสื่อมลงไม่ได้จึงเท่ากับไม่มีตัวตนที่ยั่งยืนแท้จริงไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สัตบุคคลเราเขา มีแค่สภาวะเกิดขึ้นระดับไปเสื่อมไปแม้แต่ของที่จับต้องได้ก็มีการเกิดดับอย่างรวดเร็วมหาศาลอยู่ตลอดเวลาคือในทุกสิ่งมีหน่วยเล็กลงไปจนถึงระดับอะตอมในแต่ละอะตอมก็มีโปรโตอนนิวตรอนมีอิเล็กตรอนวิ่งวนมีการเกิดดับรวดเร็วมหาศาลจนมีสภาพเป็นสารารวัตถุให้จับต้องได้ให้รู้สึกดูคงทนเป็นตัวตน แต่เจาะลึกไปแล้วก็เป็นการเกิดดับอย่างรวดเร็วเท่านั้นทุกเสซย ว, วินาทีมีการเกิดดับนับครั้งไม่ถ้วนโดยแม้การรวมตัวกันเป็นวัตถุจับต้องได้ก็มีเวลาในการรวมตัวกันระยะหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายก็ต้องเสื่อมสลายดับไปผู้ไม่สดับคือไม่ศึกษาให้เข้าใจให้ลึกจริงจึงหลงเข้าใจผิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่สมมติตั้งชื่อเรียกกันกลายเป็นสภาพวัตถุ ที่เราคิดว่าเที่ยงมีตัวตนแต่ความจริงคือกลุ่มของพลังงานที่เกิดดับยังรวดเร็วและรอวันแตกสลายเสื่อมไปทุกขณะอันตรงกับกฎไตรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองทุกความหมายหลักเพื่อการเจริญปัญญาควรเป็นการเห็นในความหมายว่ามันทนสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนหรือเห็นเป็นไตรลักษณั่นเอง การรู้ธรรมเห็นธรรมคือการเห็นความจริงของธรรมชาติได้ตรงตามความเป็นจริงจึงละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นลงได้ตามลําดับจนหมดตัณหาพ้นทุกข์ได้ในที่สุดซึ่งหนังสือเล่มนี้ท่านจาะรายละเอียดปูความเข้าใจเพื่อการนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องโดยเน้นเรื่องอริยสัจสีซึ่งถือเป็นหัวใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่รวมหลักธรรมสาคัญเพื่อความพ้นทุกข์ไว้ในอริยสัจสีนี้ทั้งหมดแล้ว ข้อทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายธรรมของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติบางครั้งท่านอาจพูดศัพท์ไม่ตรงกับนักเคร่งตัมราสัทีเดียวรสับที่เรานํามาท่องจํากันก็นํามาจากภาษามคตการแปลาบางแห่งก็ยังแปลต่างกันได้นะครับซึ่งบางคํามันหาคําแปลได้ตรงจรงิจรงๆได้ยากมากยิ่งเรื่องนามธรรมหรือสํานวนเปรียบเทียบหลายคํายังคงอนุโลมการแปลให้พอเข้าใจได้คร่าวๆเท่านั้นสุดท้ายจึงใช้การทับศัพท์ตรงตัว และต้องปฏิบัติถึงจุดจริงจึงจะเข้าใจได้จริงเหมือนจะแปลคำว่าเปรี้ยวให้คนต่างชาติเข้าใจหากเขาไม่เคยชิมรสเปรี้ยวมาก่อนก็คงแปลให้เข้าใจตรงกันได้ยากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจึงไม่อยากให้ติดในสา์มากเกินไปกว่าการพยายามเข้าใจความหมายที่แท้จริงและบริบทภาพรวมว่าขณะนั้นท่านกาลังสื่อถึงอะไรเป็นสาคัญ การแสดงธรรมจานวนมากที่ครูบาอาจารย์พูดในความหมายที่ออกมาจากการปฏิบัติแม้แต่คำสอนหลวงปู่มั่นเรื่องถีติดจิตสิทธิ์องค์สําคัญแต่ละท่านยังใช้คาเรียกแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็หมายถึงสิ่งเดียวกันเช่นหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตยิ้มจิตพุทธะหลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่สิงเรียกว่าจิตรวมใหญ่ บางครั้งการอธิบายบางทีต้องใช้คําตามความเหมาะกับจริตปัญญาของทั้งคนพูดกับคนฟังขณะนั้นได้เข้อใจได้ตรงกันหรือง่ายที่สุดหรือเมื่อความเข้าใจเขาอยู่ในระดับใดมีความเคยชินกับภาษาในรูปแบบไหนก็อธิบายไปตามระดับจิตและสติปัญญากับความเคยชินของเขาให้ได้มากที่สุดก่อนหรือบางครั้งอยู่ที่ว่าในเวลานั้นต้องการพูดถึงอะไรในแง่มุมไหนตัวอย่างเช่นบางทีพูดว่า จิตต้องควบคุมได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตควบคุมได้จริงๆไม่อย่างนั้นก็จะขัดกับหลักอนัตตาแต่บริบทเวลาพูดนั้นท่านหมายถึงการดูแลรักษามีสติอยู่กับจิตความหมายคือควบคุมคือการคอยดูแลการมีสติกำกับไม่ให้จิตส่งออกนอกไม่ใช่ควบคุมบังคับให้จิตเป็นไปตามอำนาจนี่เป็นแค่ตัวอย่างเพื่อให้ผู้ศึกษาได้นำไปพิจารณา เพราะหลายครั้งที่ผู้ท่องจำตำราแต่ไม่ปฏิบัติแล้วติดตัวในพท์จนเกินไปจนขาดความรอบคอบในความหมายแท้ที่ท่านต้องการหมายถึงจริงจึงทําให้คัดค้านคําสอนหรือมองคําสอนคําอธิบายธรรมของครูบาอาจารย์หลายท่านผิดไปจากความเป็นจริงจนเกิดเป็นการปรามาสหรือเกิดมิจฉาทิฐิได้อย่างน่ากลัวนะครับขอยกตัวอย่างเช่นที่ท่านพุทธทาสเคยกล่าวถึงนรกที่บอกไว้ประมาณว่าขุดใต้ดินลงไป จะเจอนรกไหมกรณีนี้ท่านหมายถึงนรกสวรรค์แบบเรื่องเล่าที่เป็นชั้นล่างชั้นบนแบบนั้นมันไม่มีจริงซึ่งมันเป็นความเชื่อแบบลัทธิพราหมณ์โดยโบราณท่านนํามาเป็นสื่อสอนคนสมัยก่อนให้เข้าใจง่ายเพราะเป็นความเชื่อเดิมของเขาอยู่แล้วถ้าอยู่ดีๆไปเปลี่ยนแนวคิดคนละด้านไปเลยก็จะเข้าใจยากจะสงสัยไม่เลิกและปูเข้าหาการเข้าใจธรรมะได้ยากขึ้นคนําสอนในอดีตหลายแห่ง ท่านจึงนำพา์และแนวเชื่อเดิมของคนยุคนั้นมาใช้ประกอบให้คนสมัยก่อนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่แนวทางของท่านพุทธทาสท่านเน้นไปที่หลักธรรมแบบนักวิชาการซึ่งเป็นความชานาญของท่านในด้านนี้ท่านก็เน้นอธิบายด้วยรูปแบบนี้จนกระทั่งบอกให้ตัดเรื่องลึกลับปฏิหารเรื่องเล่าทั้งหลายออกจากพระไตรปิฎกเลยก็ได้เพราะไม่ใช่เรื่องสาคัญที่พาพ้นทุกได ซึ่งหลายเรื่องเป็นเพียงสื่อการสอนเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายเท่านั้นเช่นเมื่อตายไปต้องเจอถามคำถามสี่ข้อนี่คือตัวอย่างของการสอนธรรมะโดยอุปมาให้เห็นภาพเข้าใจง่ายเพื่อสอนคนเป็นว่าขณะมีชีวิตอยู่เคยคิดเรื่องพวกนี้บ้างไหมการเห็นภาพตามในรูปแบบนรกแบบนี้คนที่กลัวนรกก็จะได้รู้จักเจริญมรรณสติตั้งแต่ได้ยินเรื่องนี้ ไม่ต้องรอตายไปให้โยมาบาลถามคําถามเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเรื่องพวกนี้ครูบาอาจารย์จํานวนมากก็ยังเห็นว่ามีประโยชน์ในการคงไว้เพราะเหมาะกับคนที่จริตปัญญาต่างกันไปแต่ท่านพุทธทาท่านเน้นสอนหลักธรรมโดยตรงที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันมากกว่าท่านเน้นอธิบายใหเห็นในโกสวรรค์ในปัจจุบันที่ทุกคนรู้สึกพิสูจน์ได้เอง สอนมรณะสติก็สอนตามตรงไม่ต้องอุปมาให้สงสัยต่อยิบย่อยถึงรายละเอียดในเรื่องเล่าเหล่านั้นซึ่งภายหลังท่านตอบคำถามเรื่องนี้ไว้ว่าเราไม่ได้พูดว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์หรือแม้แต่หลังจะตายแล้วท่านยอมรับว่ามีทั้งสองอย่างและนรกสวรรค์ขณะมีชีวิตที่พิสูจน์ได้นี้ก็เป็นเหตุถึงนรกสวรรค์หลังตายได้ การศึกษาธรรมะถ้าไม่รอบคอบไม่เข้าใจความมุ่งหมายในการสอนและความถนัดของแต่ละครูบาอาจารย์ว่าท่านมุ่งหมายในแง่มุมใดและกลุ่มคนจริตปัญญาแบบไหนหรือฟังแค่บางส่วนไม่ได้ฟังให้ครบแม้แต่ข้อความในพระไตรปิฎกก็ตามก็จะเข้าใจผิดไปได้ง่ายเหมือนที่ตรัสกับคนหนึ่งว่าอย่าสนใจเรื่องภพชาติเพราะไม่ใช่ทางพ้นทุก์ แต่ตรัสเล่าเรื่องพบชาติมากมายหลายคราวให้พระสาวกได้ฟังและยังตรัสไว้โดยสรุปความได้ว่าการไม่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรือเป็นมิจฉาทิฐิจะบรรลุธรรมไม่ได้จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้ทุกท่านพิจารณาในการศึกษาธรรมเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองต่อไปด้วยนะครับก่อนฟังเนื้อหาจากหนังสือ ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ครอบครัวนิติสรวุฒทวีช่างพินิษสุภาพรเทียมบุญประเสริฐปนัดดาปัญญาโศกันนิกาชุติวาสนาสกุลรวมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านร่วมเผยแพร่แชส่งต่อแล้วร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ